วิธีฝึกสมาธิเพื่อติดต่อกับโอปปะปิกะซึ่งวิธีปฏิบัติเป็นเรื่องที่ทุกคนถ้าตั้งใจจริงๆก็ปฏิบัติตามได้นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ช่วยให้เราเข้าใจถึงเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีและเรื่องอื่นๆในทรรนองนี้อีกหลายอย่างและข้าพเจ้าเชื่ออีกว่าเมื่อก่อนถ้ายังไม่เห็นความสําคัญของการสวดมนต์ และการนั่งสมาธิก็จะเห็นความสำคัญขึ้นมาและแล้วก็จะพากันปฏิบัติมากขึ้นข้อนี้เองที่พระเจ้าหวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่ท่านมากกว่าข้ออื่นๆพิธีฝึกสมาธิเพื่อติดต่อกับโอปปาติกะโอปปาติกะคืออะไรคนเราทุกคนเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปปาติกะ คำว่าโอปาปาติกาแปลว่าชีวิตที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ในทันทีที่วิญญาณปฏิสนธิตามภาษาโบราณแปลกันว่าผุดเกิดคำแปลอันนี้คนที่ไม่เข้าใจความหมายจริงอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้เพราะคำว่าผุดโดยมากทำให้เรานึกถึงปลาที่ผุดขึ้นมาจากน้ำหรืออะไรก็ตามที่ผุดขึ้นมาจากน้า ฉะนั้นจึงอาจจะทําให้บางคนวาดภาพไปว่าโอปปาติกะก็คือชีวิตที่ผุดขึ้นมาจากน้ําจากดอกบัวหรือจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ความจริงชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะนั้นเป็นเหมือนกับชีวิตในความฝันและถ้าคําว่าผุดเกิดนั้นจะให้มีความหมายว่าผุดขึ้นในที่ว่างซึ่งหมายความว่า อยู่ๆก็มีคนผล่ขึ้นมาในที่ว่าอย่างนี้ก็พอจะใกล้เคียงกับความจริงคนเราเมื่อนอนหลับแล้วจะต้องฝันทุกคนซึ่งบางคนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จําได้แต่บางคนก็จําไม่ได้จะจําได้หรือจําไม่ได้ก็ตามแต่ทุกคนก็จะต้องฝันแม้แต่เด็กๆ ก, ก็ฝันตามหลักในคำภีร์กล่าวว่า ผู้ที่นอนหลับแล้วไม่ฝันมีอยู่ประเภทเดียวคือพระราหันเท่านั้นทั้งนี้เพราะพระราหันละสังโยชน์ซึ่งเป็นต้นเหตุของความฝันคืออุทธัจจะได้เด็ดขาดส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังละอุทธัจจะไม่ได้โปรดสังเกตว่าอุทัจจะมีที่มาสองแห่งคืออุทัจจะที่เป็นนิวร์กับอุทธัจจะที่เป็นสังโยชน์ คนใดถ้าหากมีอุทธัจจะอยู่ในสันดานมากความฝันก็เปะป่ามากคนใดถ้าหากมีอุทธัจจะน้อยความฝันก็เปะป่าน้อยและถ้าหากคนใดในขณะที่นอนหลับมีสมาธิดีความฝันก็ชัดเจนและอาจจะติดต่อกับโอปปะพิกะได้แต่อย่างไรก็ตามขอให้เข้าใจว่า บุคคลที่ยังมีอุทธัจจะและยังจะต้องฝันนี้เป็นเพราะเหตุที่ยังละตันหาอุปาทานไม่ได้เมื่อยังละตันหาอุปาทานไม่ได้ในเวลานอนหลับจิตก็จะต้องมีอารมณ์จิตจะว่างจากอารมณ์ไม่ได้เพราะเหตุนี้จึงยังต้องฝันทุกคนตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปะปะติกา ชีวิตของโอปปะปิกะคล้ายกับชีวิตในความฝันแต่แตกต่างจากความฝันตรงที่ภาพในความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเพียงมโนภาพซึ่งไม่มีชีวิตส่วนชีวิตที่เรียกว่าโอปปะปิกาก็คือมโนภาพเหมือนกันแต่เป็นมโนภาพที่มีชีวิตมีการเห็นมีการได้ยิน มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับชีวิตจริงๆการที่ภาพในความฝันไม่มีชีวิตก็เพราะวิญญาณยังไม่ได้ละออกจากร่างกายสมรรถภาพของวิญญาณในการสร้างสารรค์ชีวิตยังคงอยู่ที่ร่างกายส่วนชีวิตที่เรียกว่าโอปาติกะรเป็นมโนภาพที่มีชีวิตก็เพราะวิญญาณได้ละออกจากร่างกายแล้ว สมรรถภาพในการสร้างสรรค์ชีวิตของวิญญาณได้ถูกถอนออกมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นมโนภาพที่เกิดจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนกับชีวิตจริงๆคนที่เข้าใจเรื่องมโนมยธิจะมองเห็นความจริงข้อนี้ได้ง่ายมากชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกาก็คือชีวิตที่คนทั่วไปเรียกว่าผีสางเทวดา พรพเจ้าพรหมผู้ศักดิ์สิทธิ์พวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือยักษ์เหล่านี้เป็นต้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโอปปะปติกาข้าพเจ้าจะไม่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ในที่นี้มีความประสงค์แต่เพียงให้ท่านเข้าใจว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิต และชีวิตที่ว่านี้ก็สามารถที่จะติดต่อกับมนุษย์ได้วิธีติดต่อกับโอปะปะติกะโดยธรรมดาการติดต่อกับโอปปติกะมีอยู่สามวิธีคือ 1. เชิญลงถ้วยซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าผีถ้วยแก้ว 2. การเข้าทรง 3. การเข้าสมาธิไปติดต่อ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 จึงจะสามารถทําได้อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีฝึกสมาธิเพื่อเข้าไปติดต่อกับโอปปปฏิกะก่อนโดยธรรมดาผู้ที่สามารถจะติดต่อกับโอปปตฏิกะได้จะต้องได้ฌานและได้ทิพยะจักสูรและคําว่าติดต่อในที่นี้หมายความว่า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 และด้วยความเชื่อมั่นอย่างชนิดที่ไม่ง่อนแงนคลอนแคลนว่าถ้าโลกยอมรับว่าโอปปฏติกะมีจริงคนทั้งหลายเขาจะยอมรับในเรื่องกฎของกรรมของพระพุทธเจ้าครั้นแล้วศีลธรรมก็จะดีขึ้นข้าพเจ้ามีอุดมคติแน่วแน่เช่นนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่หวั่นไหวต่อคำเยาะเย้ยของคนทั้งหลาย คงตั้งหน้าที่จะหาทางพิสูจน์และที่บายเรื่องนี้ให้คนทั้งหลายเข้าใจและเชื่อเหมือนกับข้าพาเจ้าให้จงได้ผู้ที่จะฝึกสมาธิได้สำเร็จอันที่จริงข้าพาเจ้าก็เห็นด้วยกับคนทั้งหลายที่กล่าวว่าการฝึกสมาธิให้ได้ถึงขั้นชาญและขั้นทิพยาจาักสูตรนั้น เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับคนที่อยู่ในเมืองหรือคนที่มีภาระยุ่งยากแต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังมีความเห็นยิ่งไปกว่านี้อีกกล่าวคือแม้คนบางคนจะได้สละบ้านเรือนไปมีชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในป่าตั้งหน้าตั้งตาแต่จะบำเพ็ญสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ใช่ของง่ายที่จะทำได้ ถึงแม้จะใช้เวลานับเป็นปีๆก็ตามถ้าหากว่าพื้นจิตใจไม่สูงพอหรือไม่สมบูรณ์พอการไปอยู่ป่าจะไม่ได้ผลอะไรเลยจะทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุเหมือนกับคนบางคนที่พื้นความรู้ไม่พอที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยถึงแม้เขาจะให้เรียนก็ไม่อาจจะเรียนได้ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ข้าพเจ้าเคยวิจัยมาแล้วแต่ตรงกันข้ามคนบางคนถ้ามีพื้นจิตใจสูงความกดดันในทางอารมณ์ไม่มีเลยและมีบารมีในทางสมาธิมาดีตั้งแต่ในชาติก่อนบุคคลประเภทนี้แม้จะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้ต้องมีภาระยุ่งยากหลายอย่างก็ตามแต่ถ้าหากเขารู้จักจัดเวลาให้เหมาะสมในเวลาฝึกสมาธิและได้รับคำแนะนำที่ดีก็อาจจะฝึกสมาธิขั้นสูงได้เพราะฉะนั้นความเข้าใจของคนทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมานั้นถึงแม้จะมีส่วนถูกแต่ก็มีส่วนผิดอยู่ไม่น้อย ความเข้าใจผิดของคนทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นยังมีแพร่หลายอยู่ทั่วไปในสังคมเพราะเหตุนี้จึงทำให้คนส่วนมากไม่สนใจกับการฝึกสมาธิแม้จะมีบุคคลบางคนตั้งใจที่จะฝึกและมีพื้นผอที่จะฝึกสมาธิในขั้นสูงได้แต่แล้ว ก็จะไม่ได้รับความสนับสนุนจากบุคคลทั่วไปด้วยเหตุนี้งานในด้านนี้จึงยังต้องอาภัพอยู่ไม่ได้ชาญก็ติดต่อกับโอปปปฏิกะได้เป็นทางที่ข้าพเจ้าแน่ใจว่าถ้าได้ทำกันให้ถูกต้องจริงๆแล้วเราจะสามารถติดต่อกับโอปปปฏิกะได้ที่ไม่ใช่งานที่ยากจนเกินไป เป็นงานที่คนธรรมดาสามัญอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แหละสามารถจะทำได้เพราะทางที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องของการได้ฌานหรือได้ทิพยจักสดุดังที่คนทั้งหลายเข้าใจกันถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องความฝันท่านจะพบความจริงข้อหนึ่งซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งความจริงที่ว่านี้ก็คือ บางคนนอนหลับแล้วก็ฝันเห็นคนที่ตายเป็นการเห็นจริงๆซึ่งตัวอย่างเช่นนี้มีทุกชาติทุกภาษามีทุกขนทุกแห่งแต่เพราะเหตุที่คนส่วนมากพบแต่ความฝันที่เป็นเรื่องเหลวไหลถือเอาเป็นสาระไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมเชื่อแม้ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วจริงๆ ทั้งทั้งที่เขามีเหตุผลมีหลักฐานพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างแต่คนส่วนมากก็จะไม่ยอมเชื่ออยู่นั่นเองทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขาเคยพบแต่ทนบัตรปลอมมาบ่อยๆจนเข็ดลาบเพราะฉะนั้นถ้าหากจะมีใครสักคนหนึ่งเอาทนบัตรดีมายื่นให้เขาก็ต้องสงสัยทันทีว่ามันก็คงปลอมอีกเช่นเคย ในเรื่องทนบัตรถึงแม้จะมีเรื่องยุ่งยากทำนองนี้เกิดขึ้นก็ยังมีทางที่จะพิสูจน์ได้ง่ายว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงส่วนเรื่องของความฝันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ง่ายง่ายเหมือนเรื่องทนบัตรทั้ทงนี้ก็เพราะเราไม่มีบุคคลที่ได้สมาธิขั้นสูงคือขั้นที่สามารถจะติดต่อกับโอปปะปติกา และสามารถที่จะเรียกโอปปติกะผู้ที่เข้าฝันนั้นมาสอบถามว่าคืนนั้นคืนนี้มาเข้าฝันเขาจริงหรือเปล่าด้วยเหตุที่เรายังทำกันอย่างนี้ไม่ได้คนทั้งหลายจึงไม่ยอมเชื่อว่าการฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เหตุแห่งความฝันตามหลักในคำพีพระพุทธศาสนากล่าวว่า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 หรือจิตตะนิวร์สามเทวโตประสังหรณะเพราะเทวดาโดนใจหรือชักจูงข้อนี้หมายความว่าบางคนในขณะที่กำลังนอนหลับจิตอยู่ในภาวะที่สามารถจะติดต่อหรือรับความคิดจากโอปปฏิกะได้ซึ่งนานๆานจะมีสักครั้งหนึ่งในตอนนี้เอง เป็นโอกาสที่โอปะปะติกะสามารถจะบอกเป็นคำพูดอย่างตรงไปตรงมาหรือบอกเป็นปริศนาหรือแสดงภาพนิมิตรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นหรือบรรดาให้เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้อ น, นี้บางทีก็เรียกว่าเทวดาสังหรณ์โปรดสังเกตว่าคำว่าเทวดาในที่นี้ หมายถึงโอปปปฏิกะทั่วไปซึ่งอาจจะเป็นโอปปปฏิกะที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ 4. ปุพภานิมิตพระบุญหรือบาปที่เคยทำไว้ในครั้งก่อนๆแสดงนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้เห็นซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นในการข้างหน้า เหตุแห่งความฝันทั้งสี่ประการนี้มีกล่าวไว้ในคำภีสัตทธรรมปโชติกาภาคสองหน้าร้อสิบท่านได้อธิบายไว้ว่าความฝันสองข้อแรกถือเอาเป็นสาระไม่ได้ส่วนข้อสบางทีก็ถือเอาเป็นสาระได้แต่บางทีก็ถือเอาเป็นสาระไม่ได้ส่วนข้อสี่ ถือเป็นสาระได้ทั้งหมดเหตุแห่งความฝันข้อที่สามข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้สังเกตไว้เป็นพิเศษเพราะข้อนี้แหละที่จะทําให้เราเข้าใจว่าเหตุไรคนบางคนจึงสามารถเข้าสมาธิไปติดต่อกับโอปปปฏิกาตได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ฌานถ้าหากเราเชื่อว่าการที่บุคคลบางคน ฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปได้คือหมายความว่าเรื่องจริงจริงนั้นมีอยู่แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไหนฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วจะเป็นเรื่องจริงทุรายไปในที่นี้ข้าพเจ้าหมายความแต่เพียงว่าในบางครั้งคนที่ตายไปเป็นอุปปติกาได้มาเข้าฝันจริง และเรื่องที่ฝันเห็นนานก็เป็นจริงทุกประการถ้าเรายอมรับว่าข้อเท็จจริงอันนี้มีได้เราก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าเหตุไรบางคนทั้งที่ไม่ได้ฌานแต่ถ้าสามารถหลับในสมาธิได้ก็มักจะติดต่อกับโอปะปะิกาได้โปรดสังเกตว่าข้าพเจ้าใช้คำว่ามักจะ ซึ่งหมายความว่าคนที่หลับในสมาธิได้นานไม่ใช่ว่าจะสามารถติดต่อกับโอปปปติกะได้ทุกคนข้าพเจ้าใครจะขอร้องท่านผู้อ่านไว้สักอย่างหนึ่งว่าข้อความในคำภีดังที่ได้กล่าวมานานขอให้เชื่อไว้ก่อนถึงแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ในกาลามสูตรว่าอย่าได้เชื่อคำภีก็ตาม และนั่นก็ไม่ไดนหมายความว่าพระพุทธเจ้าจะทรงสอนไม่ให้เราเชื่อคำพีเลยตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าทรงต้องการจะเตือนพวกเราว่าจะเชื่ออะไรขอให้พิจารณาเสียก่อนเมื่อเห็นว่ามีเหตุผลจึงค่อยเชื่อกาพระเจ้าอยากจะให้ท่านได้สำนึกว่าถ้าหากเราไม่ได้ถือกันว่าคำพีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งแล้ว ปานนี้พะพุทธศาสนาก็คงจะสูญจากโลกไปนานแล้วข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านผู้อ่านโปรดยึดถือข้อความในคำพีเป็นหลักถึงแม้หากว่าขณะนี้ท่านยังจะไม่เข้าใจหรือยังไม่เห็นเหตุผลก็าตามก็ขอให้เชื่อไว้ก่อนการเชื่อไว้ก่อนเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการศึกษาวิชาลึกลับ เพรโดยธรรมดาสิ่งที่ลึกลับแต่ก็เป็นเรื่องจริงนั้นถ้าเราไม่เชื่อไว้ก่อนเราก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจเหตุผลและเห็นความจริงในเรื่องประเภทนี้ได้เลยอย่าลืมว่าคนที่จะเข้าใจเหตุผลของสิ่งต่างๆจะต้องเป็นคนที่มีพื้นความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างเพียงพอสําหรับที่จะวินิจฉัย แต่เท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตมาคนทั่วไปมักจะมีพื้นความรู้ไม่พอสำหรับที่จะวินิจฉัยเรื่องลึกลับอย่างเช่นเรื่องโอปะปะติกะดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเชื่อไว้ก่อนย่อมจะทำให้เราปลอดภัยทำให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้องการที่ในคำพีกล่าวว่า คนบางคนในเวลานอนหลับสนิทสามารถที่จะเห็นและพูดกับโอปปติกาได้เรื่องอย่างนี้มีได้จริงๆขอให้นึกถึงเหตุแห่งความฝันข้อที่สามคือข้อที่กล่าวถึงเทวดาเข้ามาโดนใจให้ฝันซึ่งเรียกว่าเทวะโตประสังหรณนะถ้าท่านเชื่อข้อนี้ได้อย่างสนิท ปัญหาที่จะทําให้ท่านสงสัยอีกหลายอย่างซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นแก่ท่านเลยและท่านก็จะมองเห็นทางสว่างกล่าวคือเชื่อได้อย่างสนิทว่าคนธรรมดาสามัญอย่างเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าฝึกสมาธิให้ถูกวิธีแล้วก็สามารถจะติดต่อกับโอปะปะติกาได้โดยไม่ยาก ข้าพเจ้าขอนเนียนอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ยากจริงๆและจากวิธีนี้ซึ่งในเมื่อนำเอาไปใช้แพร่หลายแล้วในไม่ช้าโลกก็จะยอมรับว่าโอปปะปิกะมีจริงคนเราตายแล้วก็ยังมีชีวิตและเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์มีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้า ยิ่งกว่าในโลกมนุษย์นี้หลายร้อยหลายพันเท่าแต่เท่าที่พูดมานี้เขาพเจ้าหมายเฉพาะผู้ที่อยู่ในสุขติภูมิส่วนผู้ที่อยู่ในอวัยภูมินั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันหนึง่งข้าพเจ้าใคร่ที่จะขอเตือนอีกอย่างหนึ่งว่าในระยะแรกนี้ขอให้ท่านสนใจแต่เพียงว่าโอปปติกะมีจริง แต่เขาจะมีความเป็นอยู่กันได้อย่างไรรายละเอียดต่างๆในทรรนองนี้เขาเจ้าคิดว่าเอาไว้ศึกษากันในตอนที่มีคนที่สามารถจะติดต่อกับโอปะปะติกะได้หลายคนและติดต่อได้อย่างสมบูรณ์เสียก่อนเมื่อถึงตอนนี้แล้วเราจึงค่อยศึกษารายละเอียดถ้าท่านมาศึกษาหรือมาสงสัยเสียก่อน ก่อนที่เครื่องมือในการติดต่อยังมีไม่พอนั้นจะทำให้เกิดความยุ่งยากโดยใช่เหตุและเสียเวลาไปเปล่าๆท่านจะไม่ได้รับความรู้ที่แจมแจ้งอะไรเลยมีแต่จะทำให้ท่านสงสัยมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้องว่าขอให้จำกัดความสนใจให้อยู่ในวงแคบๆไปก่อน และอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าได้ถือเอาเรื่องราวที่เขาบอกเล่าซึ่งมีอยู่โดยทั่วไปนั้นมาเป็นสาระถ้ามีใครเข้ามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาตลอดถึงเรื่องราวที่คนทรงในที่ต่างๆบอกและเรื่องอื่นๆในทานองนี้ก็เหมือนกันเมื่อท่านได้ยินก็อย่าพึ่งเชื่อเอามาเป็นสาระ แต่ก็ไม่ควรจะคาดคานใครเขาพูดอะไรให้ฟังก็ฟังไว้เฉยๆถ้าท่านไปติดใจสงสัยในเรื่องที่เขาบอกเล่ามันจะทําให้ท่านต้องยุ่งจนถึงแม้กับแต่เรื่องจริงๆซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆท่านก็จะพลอยสงสัยไม่เชื่อไปด้วยวิธีฝึกสมาธิที่พระเจ้าจะแนะนําไว้ในหนังสือเล่มนี้ ไม่ใช่วิธีขั้นสูงแต่เป็นวิธีขั้นธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถจะนําไปปฏิบัติได้และถึงแม้จะทำไม่ได้ถึงขั้นเห็นโอปะปะติกาแต่ผลที่จะพึงได้จากการฝึกสมาธิแบบนี้ที่จะเกิดแกเราในชีวิตประจำวันก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหลักการสาคัญของการฝึกสมาธิ ตามวิธีนี้ก็คือทำอย่างไรเราจึงจะสามารถหลับได้ทันทีในเมื่อต้องการจะหลับนี่คือวัตถุประสงค์อันสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะได้ศึกษาถึงวิธีฝึกท่านควรจะต้องจาจุดหมายอันนี้ไว้ให้แม่นยาเสียก่อนหลับง่ายหลับยากเป็นเพราะอะไรโดยธรรมดาเด็กหลับง่ายผู้ใหญ่หลับยาก ประเด็นนี้โปรดสังเกตให้มากแล้วท่านจะเห็นว่าการที่เด็กหลับง่ายเป็นเพราะอารมณ์ค้างในจิตใจของเด็กไม่มีเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้าสู่จิตใจของเด็กเด็กลืมง่ายและไม่ค่อยเก็บเอามาคิดถ้ายิ่งเป็นเด็กทารกความจริงข้อนี้ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเช่นเด็กทารกสามารถจะหัวเราะได้ทันที ทั้งที่ในขณะที่กำลังหัวเราะนั้นน้ำตายังไม่ทันแห้งเด็กไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิตใจเด็กลืมง่ายเปลี่ยนจิตใจง่ายนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กหลับง่ายแต่ทั้งนี้เราก็ไม่ควรจะลืมถึงความจริงอีกข้อหนึ่งที่รู้กันดีในวงการแพทย์กล่าวคือ การที่เด็กหลับง่ายเป็นเพราะร่างกายของเด็กในระยะนี้ต้องการนอนหลับมากเพื่อให้ร่างกายจเจริญเติบโตเร็วเด็กเล็กๆจะต้องให้นอนมากๆร่างกายจึงจะแข็งแรงและโตเร็วสำหรับประเด็นในข้อนี้ควรจะนึกไว้บ้างแต่ก็ไม่สําคัญอะไรในทางที่จะนํามาเป็นหลักของการฝึกสมาธิเพาปรากฏว่า ผู้ใหญ่ในเวลาที่ร่างกายต้องการพักผ่อนแต่แล้วก็นอนไม่หลับตัวอย่างเช่นนี้มีมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรจะถือเอาสาเหตุทางร่างกายมาเป็นข้ออ้างว่าเด็กหลับง่ายเพราะร่างกายต้องการจะพักมากมา ก, มากเพื่อให้ตัวเร็วสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะให้ท่านได้พิจารณาเป็นพิเศษก็คือประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เด็กหลับง่ายเพราะอารมณ์ค้างไม่มีจิตใจของเด็กไม่มีการยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นเหมือนผู้ใหญ่เด็กลืมง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายประเด็นนี้ปลดจำเอาไว้และอีกข้อหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องร้ายแรงที่กำลังคุกคามสุขภาพของคนทั่วไปทั้งในทางร่างกายและในทางจิตใจนั่นก็คือ ความทุกข์ในทางจิตใจที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วสะสมอยู่ในสันดานทำให้พื้นจิตใจข้างในเสียคนส่วนมากไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวาหรือแม้แต่คนที่ได้ปลีกตัวออกไปอยู่ในที่เงียบสงัดแล้วมีเวลาอย่างเต็มที่ในอันที่จะฝึกสมาธิแต่แล้วก็ฝึกไม่ได้ผลทั้งนี้เป็นเพราะ ความทุกข์ในทางจิตใจที่เขาสะสมเอาไว้นั้นมีมากความกดดันในทางอารมณ์มีมากบุคคลประเภทนี้นับว่าเป็นคนที่อาภัพสำหรับในเรื่องการฝึกสมาธิคนส่วนมากฝึกสมาธิขั้นสูงไม่ได้หรือแม้แต่สมาธิขั้นธรรมดาก็ฝึกไม่ได้มักจะง่วงนอนและฟุ้งซ่านเสมอ จนกระทั่งควบคุมจิตใจไม่อยู่สาเหตุส่วนใหญ่ก็อยู่ที่จุดนี้ฝึกสมาธิโดยใช้เวลาไม่นานเท่าไรถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็ไม่เกินร้อยชั่วโมงแต่ท้งนี้หมายความว่าต้องฝึกทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงมีปัจจัยที่สำคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งคน ท, ทั่วไปไม่มีทางที่จะรู้ได้เลย ปัจใจที่ว่านี้คือบารมีเรื่องนี้เป็นความจริงอย่างที่จะเถียงไม่ได้เลยนอกจากคนไม่รู้เท่านั้นเขาจึงจะเถียงเพราะจากประวัติของผู้สำเร็จในทางธรรมนั้นมีกล่าวไว้ว่าคนไหนถ้าไม่มีบารมีในทางนี้มาตั้งแต่ชาติก่อนอย่างเพียงพอให้ฝึกอย่างไรก็ไม่มีทางสำเร็จวิธีตรวจบารมี สามารถจะติดต่อกับโอปปปฏิกะได้ซึ่งถ้าหากจะทํากันให้ได้ผลจริงๆแล้วจะต้องถามโอปปปติกะที่ได้ฌานที่มียานสามารถที่จะรู้ถึงบุพกรรมในชาติก่รรของคนทั้งหลายได้และสามารถที่จะล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้จะขอร้องให้ท่านช่วยตรวจ ด, ดูบรารมีให้ก่อนเสมอเมื่อได้หลัก หรือได้แนวความคิดจากท่านมาแล้วก็จะต้องนำมาทดสอบกับความรู้ในทางธรรมที่เขามีอยู่อีกครั้งหนึ่งและด้วยวิธีนี้เองก็พอที่จะรู้ว่าจะสามารถฝึกสมาธิได้ขนาดไหนและจะฝึกด้วยวิธีอะไรซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ข้าพเจ้าได้ใช้มานานแล้วและเท่าที่สังเกตก็รู้สึกว่า คำบอกเล่าของท่านมีความแม่นยำข้าพเจ้าก็ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำของท่านมากมายและข้าพเจ้ารู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าไม่มีท่านคอยแนะนำคอยตักเตือนคอยให้กำลังใจนี่ก็คงจะเลือกล้มไปนานแล้วการสารวจดูบารมีโดยอาศัยคำบอกเล่าของโอปปปฏิกะที่ได้ฌานเพราะคนเราเกือบจะทุกคน ต้องการอยากจะรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรจึงจะมีความสำเร็จในชีวิตตัวเองมีบารมีมาในทางไหนบ้างถ้าหากเราได้อาศัยคำบอกเล่าจากโอปะปะติกาผู้ได้ฌานอาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอาศัยหลักจิตวิทยาอาศัยวิชาการศึกษาแผนปัจจุบันเข้ามาประกอบด้วย ก็จะทำให้คนทั้งหลายดาเนินชีวิตไปในทางที่เหมาะสมแก่ตัวเองซึ่งจะไม่ทำให้เสียเวลาที่ต้องมัวไปทำสิ่งซึ่งทำแล้วไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาไปเปล่าๆใครก็ตามที่ต้องการจะฝึกสมาธิจะบอกได้ทีเดียวว่าที่จะฝึกได้หรือไม่ได้ถ้าจะได้ได้ในเรื่องไหนและแค่ไหนอันนี้พอจะรู้ได้ไม่ยากนัก อันที่จริงการฝึกสมาธิเพื่อที่จะติดต่อกับโอปปฏิกะนั้นถ้าหากจะเอาความสำเร็จในขั้นสูงคือในขั้นทิพยจักสุหรือในขั้นมโนมยิทธิก็มีทางที่จะทำได้เพราะหลักวิชาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เท่าทีปรากฏอยู่ในคำพี ที่ข้าพเจ้าว่าได้ทิพยะพาจักสูนั้นสามารถที่จะมองเห็นสิ่งของในที่มืดมองทะลุฝาและบางครั้งก็มองเห็นได้ไกลถึงต่างจังหวัดอ่านหนังสือโดยไม่ต้องเปิดหนังสือและเมื่อบอกให้อ่านหน้าไหนก็อ่านได้ทันทีและในเรื่องมโนมยิธิบางครั้งเวลานั่งสมาธิก็เคยถอดกายมาได้ ซึ่งกายที่ถอดมานั้นจะสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่กำลังนั่งอยู่และมองเห็นทุกๆคนที่อยู่ในห้องนั้นสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับตัวเองตื่นอยู่ในที่เบตเมื่อองาลายัยลามะสิ้นพระชนผู้นำในทางศาสนาจะต้องเที่ยวสออแสวงหาผู้ที่จะเป็นองค์ดาลายัยลามะองค์ต่อไปทันที งานอันนี้ก็ทำกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์คนทั้งประเทศให้ความร่วมมือข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่าทำไมหนอเมืองไทยจึงไม่เอาหลักการทำนองนี้มาใช้บ้างแต่ที่ข้าพเจ้าพูดนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะทำเหมือนอย่างกับที่เบตข้าพเจ้ามีความหมายแต่เพียงว่า ทำไมวงการพระพุทธศาสนาจึงไม่พยายามที่จะตั้งหลักการเพื่อที่จะคัดหาคนที่ดีที่สุดเอาไว้เป็นหลักในทางพระพุทธศาสนาเท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตมาถ้าหากคนไหนจะเด่นขึ้นมาในทางศาสนาส่วนใหญ่ก็ต้องมาจากการช่วยตัวของเขาเอง ข้าพเจ้าอยากจะให้คนไทยได้นึกถึงเรื่องดาไลาลามะในที่เบตดบ้างเขาประคบประงมกันมาตั้งแต่เล็กๆทีเดียวข้าพเจ้าเชื่อว่าใครจะเกิดมาเป็นอะไรเขามีชะตาของเขามาตั้งแต่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากในวงการพระาศาสนาจะได้มีหลักการว่าจะพยายามคัดหาคนที่ดีที่สุด เพื่อให้มาเป็นผู้นำในทางาศาสนาและจะต้องอุ้มชูกันมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยถ้าหลักการอันนี้มีอยู่เราก็จะได้ผู้นำในทางาศาสนาที่เข้มแข็งฉเฉลียวฉลาดสืบต่อกันมาทุกๆุกสมัยข้าพเจ้าเคยตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่าคนที่เข้ามาเรียนในทางพุทธศาสนา ส่วนมากมีระดับสติปัญญาหรือไอคิปานกลางส่วนผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงมักจะไปเรียนในทางโลกกันหมดในวงการของศาสนานานๆจึงจะพบสักคนหรือสองคนที่สมองปราดเปรื่องมีความรู้กว้างขวางและรู้ศาสนาได้ลึกซึ้งสามารถทำการเผยแผ่ได้ผลอย่างกว้างขวางบางที อาจจะเป็นสาเหตุอันนี้ก็เป็นได้ที่ทำให้เราไม่ได้คนดีเข้ามาเป็นกำลังของศาสนาหลักการอันนี้ที่จริงนับว่าใช้ได้แต่บางทีเราก็ลืมนึกถึงข้อเท็จจริงอันหนึ่งไปเสียกล่าวคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระที่ปราดเปลืองส่วนมากมักจะสึกจะอยู่เป็นพระได้ไม่นานทั้งนี้เพราะ ความปราดเปรื่องที่มีอยู่นั้นไม่สูงพอที่จะทำให้ละกิเลสหรือทิศสละโลกิยวีสายได้ปัญหาข้อนี้ยังไม่มีใครคิดแก้ไขได้เลยสถานการณ์ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้มานานแล้วและยิ่งกว่านั้นในเมื่อเราทั้งหลายเห็นว่าผู้ที่เป็นพระยังทำไม่ได้ แล้วขราวาจะทำได้อย่างไรมันอาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขาก็ได้